ด้วยวันนี้รู้สึกเหน่อเพราะปกติก็มันก็เหนื่อยอยู่แล้ววันนี้มนไมไ้ประชุมงานก็เลยประชุมเลยข้าในรถทั้งทั้งเท่ตั้งแปดสิบห้าคันมากนะช้าวหนึ่งคนละวันมากเป็นโดยลำดำําสำคัญคือกําลังของเรามันอ่อ น, นอ่อนน้อยไปลำดำับส อยู่กุฏินั้นเฉพาะคนเดียวเท่านั้นพอดีพอดีแล้วนั่นตอนบ่าตอนบ่ายก็ไปไปอยู่ในป่าเดินยิงกรมนุ่นสะดวกสบายทํามน ง, ง่ามมันไมมายุ่งส่วนมากมดถ้าฝนจะตกมด ง, ง่ามมันมาเต็มทางยิงกรมแล้วเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ก็เดินไปน้ำการนุ่นหเดินในนุ่นไปนี่ไปงั้นวันนี้ก็มีมด ง, ง่าม แต่มีอยู่ทั้งด้านน้นเราก็เดินไปถึงที่มืม่งงามมีนั้นก็เรากลับมามันก็ยาวพอสมควรทางกรมเอาผนจะตกแล้วมันมีให้ขยันนะเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ขี้เกียจกี่ขั้นนะงานของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นรากแก้วจริงๆก็คือ งานกิตตะภาวนานะนี่แหละเป็นถ้าว่าเป็นแก่นก็ก็ภาวนาหลักศาสนาสอนตรงที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเวลาท่านสอนพระไม่ได้ไปไหนเลยลงจุดนี้ทั้งนั้นในตำหับตำหลาเวลาสถานที่อยู่ก็เหมือนกันนี่แต่ป่าแต่เขาป่าช้า ที่สงบสงัดไม่รุ่งเยิงบุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใดอยู่สบายด้วยการทนานาเดินจงกรมบ้างางสมาธิภานาบ้างอปัปนากะปฏิปทาณสูตรมิงเวลาเป็นเวลาที่เหมาะสมคืออัปนากะปฏิปทาประการปฏิบัติไม่ผิดพอดีพองามไปเอา ท่านาเวลาพอตั้งแต่ข้ามไปจนหมดอะไรพระธมยามคิดถึงไหนนะลืมแล้วผมก็ลืมมันไม่ได้ดูนามแล้วท่านพักให้พักสี่ชั่วโมงคุณยังไงนะพักสี่ชั่วโมงคือพอตีสองลุกเนี่ยตั้งแต่เนี่ยคือมัชชิมยามเป็นเวลาพักาจากทุ่มไปถึงสี่ทุ่มเทั้น สี่ทุ่มถึงแปดทุ่มนั่นแหะพักหลังจากนั้นก็ลงเดินจงกรมบ้างหนะ้างสมาี่หาวนาบ้างตั้งปีปีสองล่วงไปแล้วอืมทันว่าปฏิบัติเหมาะสมไม่ยิ่งไม่หย่อนแต่การปฏิบัติของเราจะให้เป็นไปอย่างนั้นจริงมันก็เป็นเรืองได้แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสไปจัดแจงให้เหมาะสมนะต้องหมายถึงทำจัดแจงให้เหมาะสมคือบางทีเล่นความเพียรนี้ มันดึกกว่านั้นก็ได้หรือบางทีเอาไว้จนตลอดลุ่งมันก็ได้เนี่ยความเทียนเพื่ออ่านเพื่อทำเป็นเครื่องบังคับเป็นความจําเป็นอยู่ในตัวการหลับนอนตามนั้นมันก็ไม่ก็ได้นี่ยแต่ท่านพูดถึงเรื่องอภรณกะคือปะระการปฏิบัติไม่ผิดเหมาะสมพอดีท่านพูดถึงเรื่องพอดีการยิ่งอย่างานั้นนี้อแต่ผู้จะปฏิบัติต่อตัวเอง นานอนก็ให้ทำความสำคัญไว้เสมออย่านอนแบบนอนจม่านว่าสอนไว้แล้วนยนั่นคือให้ทำความสำคัญไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นนอนนอนตะแคงข้างขวาบอกไว้หมดเลยในนั่นในอพนกาะปฏิปทาเป็ น, เ ป, นเป็นภาษาบาลีนะฮะผู้ ผูมไม่ได้หนันกับแปลไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนอกจากจะมีคําแปลไว้แต่ท่านเราผม ด, ดูนี่มันไม่มีไม่มีคําแปลมี่ต่บาลีล้วนๆแต่มันเข้าใจพออา่านดูไปนี่มันก็เข้าใจสันทีสันทีนทเข้าใจไปหมดเลยก็เรียนเป็นภูมิมหาไม่นด้ไม่เข้าใจก็ไปคาดแล้วให้กาคินดนี่สิ อ่านไปอ่านไปดูไปดูไปเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปตามนั้นเลยมีการสอนไหมมีแต่เรื่องภาวนาพูดคุยกันมีแต่เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดังที่ที่กล่าวไว้ว่าสันเหลกระทำสิปการมันนั่นหละหลักของการสนทนาหลักของการพูดของพระที่เป็นหลักเป็นเจนในขัง้งพุทธการไม่แบบเป็นแบบเป็นขบับอย่างนั้น ว่าไงธรกาเลนะธรรมสากระชาคือการสนทนาธรรมกันตามการตามเวลาเป็นอุดมมงคลอ น, นี้แหละสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรมชมเชยสนรเ ส, สริญรัฐานที่เง่นเจตนอปิจตตาสนรเสริญความมักน้อยต่อกันพูดถึงเรื่องความมักน้อยสนรเสริญความมักน้อยี่ลองลงมาก็สันโดษคือความยินดีตามตามีตามเกิดเท่า น, นั้นนี่นี่เป็น ท, ที่ลดลงมาจากอภิจตตาซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมมากมากน้อยมีมากเาไรไม่เอามาักน้อยมีอันหนึ่งอันหนึ่งลดลงมาก็เพื่อให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่อันใดไม่มีอย่าไปยุ่งอย่าไปรบกวนประชาชนยากโยมเขาอย่าไปรบกวนใครมีอะไรใช้ไปตามเรื่องตามราที่มีที่วันขันฉันไปตามเรื่องหรอนะนี่ แล้วก็อนั่นก็อสังทัศิกาวิเวกตาวิริยารัมพาอสังทัศิกาคือไม่คุกครีกันดูต่างคนต่างอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความมีสตินีอสังทัศิกาคือไม่คุกครีกันนอกจากมีจําเป็นที่จะมาเกี่ยวข้องกัน วิเวกตาคือให้ชอบวิเยกสงัดสถานที่เิเวกสงัดให้ชอบสังัดทางหูทางตาทางจมูกเพราะกลิ่นมันก็มันมีนาสัมมันมีสิ่งสัมผัสมันก็ทําให้เกิดกิเลสได้ได้ได้ได้กลิ่นอะไรเนี่ยแล้วกิเลสมันก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะมันหาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยตาเห็นเป็นยังไงเนี่ยเห็นแตว่าให้สงัดสังัดทางตาทางหูทางจมูกอย่างนี้กายทางใจอ่า วิเรกตาวิริยาลำพาประกอบความเพียรปราลบความเพียรประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยสันเลกธรรมแปลว่าเครื่องขัดกราวกิเลสแปลออกมาสันเลขาฉะนั้นทก็บทถึงเรื่องศีลปานนาคุณสมบัติของศีลความเป็นผู้มีศีลเป็นปยังไงพระเป็นผู้มีศีล อันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ด่างพร้อยทะลุขาดทะลุเป็นยังไงนะความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นผู้มีสง่าราศีเป็นผู้องอาจกาหารทั้งในสังคมและอยู่ลำพังตนเองพบอุ่นะจากนั้นก็สมาธิคือความสงบใจแล้วก็ปัญญาลิมุติมุติยาทาัศนะนี่สิบข้อทันเลขาธรรมที่ท่านเป็นข้อธรรมที่ท่านสนทนากันในข้างพุทธการ ไม่ได้สนทนาเรื่องการบ้านการเมืองการซื้อการขายการโลกการต้องสารอะไรเป็นเดียวอ่ะตีเฉฉารกฐาที่กล่าวกันถึงเรื่องโลกเรื่องสาก็เป็นตีเฉลฉารกรถาไปเลยประเภทของสัตว์ของโลกไปละท่านไม่พูดอนมัติระวังอยู่ด้วยกันก็ไม่ส่งเสียมอึดอึกขึ้นโครม เวลาจะใช้สอยอนุประสมบันิแม้ว่าคารวะหรือเ네นนเรียกว่าอนุประสมบันิถ้าจะให้มาทําอะไรนี่ให้ให้โบกมืออย่างนี้ลักณะโบกมือย ก, กวัมออกมือโบกมือนให้มาอย่าไปร้องตะโกนโว้กเวกอะไรนี่ให้มาจะต้องการอะไรก็ให้ให้อนุประสมบัติทาอนุประสมบันิก็คือพวกเ네นรพวกคารวะให้ทําให้อสอนนั่นอย่างนั้นท่านชอบสง่าขนาดนั้นนะพระคั้งพุทธกาล นี่ในแบบมีอย่างนี้พากันจาเอาถ้าไม่ได้เห็นก็นดีที่เอามาพูดนี่เอามาจากแบ บ, บ, บ, บจากฉบับจากตำหนัดสํานาทั้งนั้นมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่<ม>ท่านเท่าความสงสงารมากจิตใจความมุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับอัตถะธรรมไม่ได้ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกับสงสาร น, นั่นนี่แหละเึงยว่าแก่นของศาสนาคือดัชิตาภาวนาพระพุทธเจ้าทรงพาดําเนินมา ดังนั้นภาษาพวกท่างหลายก็เป็นอย่างนั้นถ้าดําเนินมาอย่างนั้นไม่เห็นผู้เรื่องอะไรอะไดังที่เป็นอยู่ที่เราเห็นกันรู้กันอยู่นี่อั น, นี้นี่แหละมันแทรกเข้าไปอันนี้เขาตีตลาดตีตลาดตีอัดตีทำค่อยแหลกไปแหลกไปคนนั้นก็นิยมคนนี้ก็นิยมอนิยมภาพสิ่งที่นิยมมันคืออะไรนั่นมันก็คือสิ่งที่เป็นค่าสิของธรรมเมื่อต่างคนต่างนิยมแล้วก็เป็นค่าสิต่างคนก็ต่างทาลายธรรม ท, า, ทาลายความกินไปได้แหลกไปได้ ทีนี้ก็เมื่อมันด้านแล้วกระทบอะไรมาถูง ก, ก็ไม่รู้สิเออผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้เพราะมันด้านแล้วนี่ตามหลักความกิวมันเป็นอย่างคือว่าท่านไม่คุ้นกับใครท า, างหน้าทางตาทวันแต่ไม่รังเกียจใครแต่ไม่รู้ไม่ไม่ให้คุ้นกับใครยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครทําตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายซุเปโรเลี้ยงง่าย มีการประกอบความพักอย่างนี้เป็นหลักใหญ่ที่ท่านแสดงไว้นะ<ม>เดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาะนี่เป็นหลักใหญ่มากเป็นพื้นอยู่ตลอดเลยนะในวงของศาสนานี่เป็นสำคัญมากนะแล้วเวลานี้เป็นยังไงมันจะหมดแล้วนะคำที่ว่านี้กันหมดนะนี่แหละหลักเดิมแท้ เป็นอย่างนี้นะ่ะแล้วจะหมดนั่นนะแม้แต่วัดป่ายังไม่มีทางยังกรมตั้งที่ผมบ้านนั่นไนงะไปเราไปเห็นสกิความเลยเกิดเกิดความสุขสองเมฆมันยังไงกันนี่พระกรรมฐ า, านลูกศิษย์ขององค์ไหนแล้วก็ลูกของครูอาจารย์องค์ไหนแล้วก็ลูกอยู่างนะั้นมาตั้งเขาเป็นวัดสร้างเขาเป็นวัดป่าขึ้นมาซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วยนะสงัตยุเวกดีที่สุดด้วยเน้อหาทางยังกลมไม่มี หาข้างในวัดก็มีไป ห, หานอกวัดอีกเราเอาขนาดนั้นนะก็จะหาความจริง น, นี่มันไม่มีมันก็มีแต่ความสวดสันติครูตายนั่นหมดไปแล้วเหลือนี่หมดไปแล้วเหลือนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปไม่กี่ปีกี่เดือนเหล่านี้มีตั้งแต่ลูกศิษย์ของคูบาอาจารย์องค์ปรากฏชื่อหรือนามต่างนั้นแล้วทำํำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ได้ลงขอมันมีอะไรพาให้เป็นมันก็ทําให้คิดไปละอืมถ้าเรื่องความ ดูดื่มในอดในธรรมมีมันทําไมจะไม่เดินจงกรมไม่ทำไมจะไม่นั่งสมาธิภาวนามันจะไม่ยุ่งอะไรกับเรื่องข้างนอกนะ่ออมันจะยุ่งไม่จะวุ่นมันก็อยู่กับการฆ่ากิเลสนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วการปูดตรงนี้ผมแม้แต่ตัวเท่าหนูผมผมก็เป็นมาแล้วอย่างนี้นะใครมายุ่งไม่ได้ืเราจรึงไม่เคยก่อเคยสร้างอะไรตั้งแต่ออกปฏิบัติตั้งแต่วันออกเลยนะไม่ยุ่ง ก็อะไรสร้างอะไรไม่เอาทั้งนั้นมีแต่จะห่ากิเลสมิสร้างอัดสร้างทำเพิ่อนข้างกิเลสอย่างเดียวตลอดเลยนะ เ, นเรามันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ถ้าเอาอะไรมันจริงจริงถ้าลงได้ได้ตัดสินใจลงไปตรงไหนแล้วมันเป็นอย่างนั้นขาดทะลุไปเลยอันนี้ก็ได้ตรงใจแล้วตั้งแต่ยังยังเรียนอยู่นู่นเราตั้งสัญญาที่ถามมาแล้วว่าพอเรียนจบเพียงประโยคสามเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้แค่ไหนก็แล้วแต่เถอวะวา ได้ประโยคนสามประเด็นสามประโยชนแล้วจะออกโดยถ่ายเดียวคือออกปฏิบัติแต่ที่นี่เวลาสอบไปประเด็นมันก็ตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยนักทำมก็ได้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงมันก็จบขั้นนักทำก็ได้ไ ด, ได้จบไปพร้อมๆกันเช่ไและออกเลย น, นั่นตัดสินใจแล้วเพอออกก็อย่างนั้นจริงๆไม่ไม่ยุ่งกับอะไรการก่อการสร้างหายใจทั้งเวลาไม่เอาทั้งนั้น มีแต่ฟันกันกับกิเลสถึงขนาดนั้นอยังน้ำตาร่วงสู้มันไม่ได้เห็นลืมไม่ลืมนะโอ้น้ำตาร่วงแต่มันมันเจยดแ้นอันนี้มันเจยดแ้นเป็นมักนะให้พึงพาการจำเมาไว้นะความเจยดแ้นเป็นธรรมก็มีความเจยดแ้นเป็นกิเดสก็มีอความมุขมานะเป็นธรรมความมุขมานะเป็นกิเลสแล้วแต่ใครจะแยกประจังไหนความเจยดแ้นนี่มันไม่ลืมขอให้กูนั่นยังยังไงกูก็จะเอาจนได้ ฮั่นิจเก่งขนาดไหนว่าผู้ยิเจ้าท่านบริสุทธิ์ได้นี่นาววาสาวกสละท่านบริสุทธิ์ได้ก็แสดงว่าอันนี้มันก็ก็มีวันทีบหายตรงได้นี่กิเลสไม่ยิบหายได้วุ้ยเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงพระสาวกอรหันอรหันท่านบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านบริสุทธิ์ไม่ไม่ได้ว่าท่านข้ากิเลสไม่ตายท่านบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านความเพียรนั้ท่านทําให้กิเลสให้ชิบหายไปได้นี่นี่ความเพียรนั้นลำเป็นยังไงมันถึงจะไม่ได้ว้าวนั่นสิ มันน้ำตาร่วงไม่ลืมนะ ม, มันไปต่อหน้าต่อตายนนนนะออืมมััไปตตตห้าต า, ตาเห็นอยู่นิดเดิงมันไม่อยู่เลยมันลากเราไปสุดเลยซ้ำไปถ้าโหโถนี่ ค, นคือหมายว่ามันไม่หลักได้เกณฑความคิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องของสิเลททั้งหมดเลยในหัวใจของเราเนี่ยมันก็จําได้ไม่ลืมนี่นะนี่เวลาหลักเจณฑไม่มีในหัวใจเป็นอย่างนั้นก็พอ พอได้หลักแล้วนี่มันก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ผิดเลยอคือความเคียดแค้นอันนี้เน่ยเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นผูกอาฆาตกันบ้างั้นหน่อยพอได้จังหวะเท่านั้นแล้ทีนี้ใส่กันโอใหญ่เอาไปเป็นเป็นก็เป็นตาก็ตายฟาดกันอย่างเต็มที่เลยนั่นเหนี่ยมักเอากันอย่างหนักนี่อันนั้นมันก็อ่อนลงอ่อนลงนั่นถ้ามันผิดมันจะอ่อนลงได้ไงกิเลส ถ้าถ้าถ้าความมุ่งมั่นของเราแล้วความเชียอชั้นเราที่จะฟัดกับกิเลสให้ถึงใจนี่มันไม่เป็นธรรมแล้วกิเลสมันจะอ่อนตัวลงได้ย่งไรนี่เอาเทายย่าไหร่กิเลสยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงทังนี้ยิ่งหนักเข้าไปเลยให้มันสมใจพูดง่ายๆนั่นแหละจีงว่าความเป็นประเภนี้เชื่อชั้นอย่างนี้เป็นมากมแล้วยิ่งความมุ่งมั่นมีมากเท่าไหร่แล้วนั่นแหละเดี๋ยวเป็นมากสําคัญสำคัญสาคัญ นี่อยากปลุกพ้นทุกข์เท่ไรยากมากเท่าไรยิ่งเป็นมรรคอันซ้ำละเอียดไม่ใช่กิเลสือคาว่าความอยากความอยากความอยากที่เป็นกิเลสต่างหาความอยากที่เป็นมากกก็ต่างหานี่ไม่ใช่ว่าความอยากพออยากแล้วก็จะจะเป็นกิเลสไปหมดือก็เห็นแต่คนตายเท่านั้นนหละคนตายมันไม่ได้มันไม่อยากนี่คนเป็นก็อยากละทีอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญได้กุศลนี่เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมรรคไปฝากความดีอยากมากเท่าไรยิ่งทําความดีได้มากคนเรานั่น แล้วนี่อยากพ้นทุกข์เลยแล้วความเพียรมีวันมีคืนที่ไหนเป็นก็เป็นตากก็ตาถึงขนาดสละกกันได้เลยนั่นความอยากประเภทนี้รุนแรงอ น, นี้จึงว่าเป็นมากว่ะแล้วความเพียรนี่หมุนติ้วเลยเถอะฮิเละ ก, ก็ยิ่งอ่อนตัวลงอ่อ น, ล ง, ออนลงตัวลงไปลงไปเห็นชัดๆอยู่กันถ้าอันนี้มันเป็นฮิเดะแล้วฮิเ ล, ล, เลต้องมันต้องมีกําลังมากขึ้นส่สิอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้มีกําลังเท่าไหร่ ที่เหลืมันยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงขนาดที่ว่าได้คาา้นหาบางสิันนิษฐเอ้ยเวลามันเก่งแนละ้วมันลากคอเราพูดอย่างไรพพูดนะมันถึงใจว่าลากคอเราอะไปต่อหน้าต่อตาจนจะคอขำเนี่ยเอาไปได้สบายสบายนี่ที่มันจะไม่เครียดท่านหน่อยนี่จับตรงไหนไม่ได้นะไม่มีเงื่อนจับเลยออืเวลามันมากก็มากมาไมไ่เริ่มที่เลยทั้งหมดเริ่มทํารมไม่ทราบอยู่ที่ไหนสติก็แยบเยีย บ, ยบนั้นอะมันเอาไปกินแล้ว เอาเอาไปต้มแล้วต้มยำแล้วปัญญากร็ไรม่ทราบจะออกไปแค่ไหนไม่รู้คำนี้จะคาชื่อว่าปัญญาปัญญาเรียนมาจะเป็นมหาก็มันไม่ได้เรื่องในหลังหรือ้ว่างจึงได้พูดนั่นเองแ่ะเพียงแต่เงจดจำมานี่โอ้ยไม่ได้นาวะ่ะถ้ามีครูมีอาจารย์พาดาเนินที่แนวทางบอกแนวทางเพียงเรียนไหมเฉยไม่ได้เรื่องนาวะ่ะจึงได้พูดเมื่อถึงขั้น ได้ได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่นี้มีแต่หลักแต่เกณฑ์เอากันลงไปจนกระทั่งถึงได้คุยเคี่ยวหากิเลสมันไปไหนที่นี่นั่นขนาดนั้นไม่เห็นนี่เวลาสติปัญญามีกําลังมากพอกิเลสมันก็ตัวฉล า, าดมันก็ต้องหมอกต้องหลบต้องซ่อนน่ะสิต้องได้ขุดได้ค้นหานี้ก็เป็นงานอันหนึ่งงานขุดค้นหากิเลกก็เป็นงานหนึ่งเจอกันแล้วก็ฟัดกันก็เป็นงานอันหนึ่งมันเป็นงานอยู่สองชั้น เอากันอยู่ตลอดจนกระทั่งนั้นนั้นไม่มีเหลือมันทารู้เองหัวใจนี่ไม่ต้องคน้นมื่มันถึงขั้นที่ไม่ไม่ต้องค้นแล้วค้นหาอะไรหลงอะไรเนีหาไปอะไรเนี่ยมือมันถึงขั้นไม่หาไม่คน้นรู้เองแต่ยังไงก็ตามความมุ่งมั่นนี่แหละเป็นกําลังที่ อา <c oughs> <c oughs> มันตัวไหนตัวไหนเป็นร้ากันนะเน อ, เอมันก็ยิ่งเข้ารอยอีกอยัางใกล้ๆน้องสูงคําชะอีนะแล้วเคยขี่เมื่อไห่มูบอกบอกมูอยู่บ้านผู้ถาน้อมนี่วะผมเคยไปอยู่บ้านนี่นั่นแหละมันเรื่องเป็นเรื่องครุบขันนี่นะ <c oughs> เสือมันมากินม้าเขาม้าเขาปล่อยไว้ตามเรื่องตามราวมันมันอยู่ในป่า พอดีเสือมาเจอก็มันก็กินหมาเขาแล้วเขาก็ไปขัดห้างนั่งห้างยิงซี่นั่งห้า ง, ง, ง, างดักอยู่นั่นเสือมาเขาก็ยิงเสือซีเสือโค่งใหญ่นะพอยิงพอยิงเสือตายแล้วก็เราบอกชาวบ้านนะชาวบ้านแตกไปแล้วผมพูดยังไงผมชาวบ้านไปก็คนใครก็อยากเห็นเพราะเขาธรรมดามันไทยมุงนี่วะ เพราะว่าเอาอยิงเสือตายแล้วอยู่นั้นก็ลุมกันไปแล้วไอ้ที่หมาเห็นคนไปมันก็ไปนี่นี่หมาคนไปมันก็ไปที่นี่ไปมันคงจะไปทางเหนือหลมหรือไงไม่รู้นะเสือตายนอนอยู่นี่อืเสือถูกปืนตายแล้วมันนอนไอ้คนก็ไปเสือหมามันก็ไปพุ่นเปื่อย น, น, น, น, น, นไปอยู่กับแถว น, นั้นอะแล้วลพูดที่มันดื้อมันมีนี่คน พูดต้านอกมพูดหน้าโขกขันอยู่นะเพราะหมาเดินใกล้ๆนี่เสือก็นอนอยู่นี่นี่มันไม่ได้กินนี่นะมันคงจะเหนือลมน่ะถ้าว่าลมไปทางมันโอ้โหยมแผ่นเลยมันไม่อยู่แล้วอันนี้มาใกล้ๆมันก็ยังไม่ไม่รู้เสือยังไม่เห็นเสือนะเขาก็จับเอาหมาเนี่ยโยนโยนลงใส่เสือที่มันตายแล้วนะพอวางโยนลงตบัวนี่ก็แก้ทีเดวกแกทีเดียวขี่เต็มเสือเลย ทีมขีมันทะลักออกมาเลเต็มหลังเสือข้างเสือนอนตายอยู่นั่นนะแจกบไป ท, ทีเดียวเลยนะก็กะกกข้าวบ้าเข้าวบ้านเขาบ้านอะยังเไม่เขานักออกจากบ้านว่าดงการทุนน่งนาไม่เห่าอยู่กลางทุนน่งนาเขาเป็นกอกกอกเปหมาตอวนั้นอ่ะขี้เต็มหลังเสือนั่นมันมันออกเองนะสกีมันเป็นอย่างนั้นแจ๊บทีเดียวขี่แ ขบขันดีมันมันเป็นไอ้มันเป็นอะไอะไรกันมันกลัวเองอะมาต้นมันจะเคยเห็นเสือที่ไหนเมื่อไหรักขี่อาว่านะมันเคยเห็นแต่มันก็เป็นอย่างนั้นนะเขาโยนเสือโยนเสร็จต๊บตอนนั้นแย่ทีเดียวก็กีออกแล้วมัาจะว่ายไหนออกไว้ายเสแล้วกีนไปเลย วิ่งไปถึงบ้านยังไม่อยู่บ้า น, นโดนลงทุ่งนาเลยนะไม่มีที่โปุ่งที่ว่างเลยวิ่งจุ่มนาอนี่อันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็บ้านขเขาเรียก ย, ยังล่นมันมันยังร่น่ะผมก็ไป๋าบ้านยังร่นนั่งล่ น, น, น, ลนเติมน้องสารแล้วก็ออกไปค้าเพิ่มไปนู่น เที่ยวแต่ก่อนไปตงทางนั้นนะ่ะมันมีตะโดงนี่โดงเสือนั่นชื่อว่อะไรแล้วที่ก็ให้เสือก็ไปกัดควายเขาอย่างว่านะเพราะเพราะเจ้าของก็ไปไปเจอซ่าควายแล้วเขาก็ขัดอันนั้นดิภาษาทางภางนี้เขาจะขัดห่าวขัดแหลมนั่นขัดห่าวเขาขัดหลาขัดแหลม เขาบอกว่าท่านเขาเก่งมากนะเรื่องทํำนี่ไม่ได้ไม่รู้นะคนก็กโด น, เ, นเขาไม่รู้นุ่นมันอยู่ในป่านุ่นนี่คนไปเนี่ยมันมีสายใยมาเนี่ยผ่าน ม, านามนันี้ก็จัดผานมันนี่ปั๊บสะเก็ดนุน่นมันจะหลุดปั้มนี่ก็บพุ่งเลยเดียวเนี่ยลาวเนี่ยเขาจะเอาไว้พอดีระ ด, ดับสมมติว่าเสือสูงขนาดไหนเนี่ยเขารู้เนี่ยเขาจะาไว้พอดีเลยกับนี่ เช่นกวางก็ดีหมูก็ดีสูงขนาดไหนเขาจะขัดแล้เอาแหลมเอาหลาไว้พอดีทีนี้พอไปผ่านสายใหญ่เนี่ยมันหลุดทางนู้นหลุดเต้ามันไ ต, ม, ต ม, นมันมีอันหนึ่งเขาขัดไดนะ้นี่ไตไตอันแล้วหลาเนี่ยพอไตนี่มันก็ดพุ่งไงยนั่นนีเน่เขาก็ทําอย่างนั้นแหละเขาไปเจอแล้วเขาก็หรือขัดขัด่าวขั ด, ขดนั่นขัดแหลมเขาก็มากลับมาบ้าง พอดีเสือมันมากินนะจีมากินซ่าเลยจีย้มาก็มาถูกแลาวแหลมเขานั่นเลยตายในนั้นเสือนนั้นเสือไม่ใช่เสือเสือโคร่งนินะเพราะว่าเจ็กสอบเสือใหญ่เขาก็หามมาแล้วที่นี่กันดีอันนี้ก็ครบขันนั่นเองนะหามมาคนกันลมไปดูกันทั้งบ้านหามกันมาเลยหามกันมา ไอหมานี่ฟังเสียงหมาไอโอ้โหอยู่บ้านไม่ได้เลยแนละ้วเดิดลงทุ่งนาเห่าอยู่ทุ่งนาอกระทึกขึกข้นครไม่มีตัวไหนอยู่ในบ้านเลยเขาเขาหามมานั่นน่ะเห็นไหมเสือเสือหมาหามเสือนะเสือตายแล้วมาน่ะหมาตัวไหนอยู่ไหนก็ตามได้ปิ่นแนละ้วเป็นไม่อยู่แนละ้ววิ่งออกนอกไปทุ่งนาไปเหา่ากระทึกที่นู่นวันนั้นเขาว่าหมาเห่าทั้งวันอยู่รอบบ้านเพรงั้นมันไม่เข้าบ้านมันเข้าบ้านมาได้ เขาเข้ามามันก็ได้กินเสือนี่ก็เสือเ้าบ้านี่ยอย่างนั้นนะมันเป็นเองนะเขาเขานั่ยเองอ่เล่าให้ผมฟังอะผมไปนั่นแต่ภาคอื่นที่นั่นเขมามันเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าเสือเสือกลัวหมากลัวเสือถึงขนาดที่ว่าไม่เข้าบ้านเลยออกเพราะเสือเขาถามเสือผ่านเข้ามาบ้าน หมาอยู่ในบ้านแตกออกนี้หมดเลยมันกลัว <c oughs> มันเป็นสันชาตยานเช่นยังเช่นยังเ่ยวกับนกนี่เหมือนกันนะโอ้เียวกับนกนี่กลัวหมดกําลังวังชาทุกอย่างอ่อนเปียกไปหมดงูอย่างนี้งูเขียวก็ทุกแกนี่ก็เหมือนกัน หนูกับแมวคือมันเป็นฆาสิทธิาตสิทกันมันกลัวกันมากเสือกับหมาอย่างนี้แล้วกัดสัตว์กับบัวกับควายกันเหมือนกันนะเอออันนี้ก็พอดีพูดนี่ก็ไปครับสัมผัสกับที่บ้านนาศีนวลตอนนั้นผมไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นเราเนี่ยที่วัดร้างเขานั่นเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันเพราะแถวนั้นมีแต่เสือนี่ อันนี้นะมันมันแปลกยู่นั้นมันทําไมมันมันจะลืมตัวไปหรือยังไงไม่รู้นะถึงขนาดนั้นนะเขาเขาก็เขาเขไปเลี้ยงวัวนะแต่วัวมันเข้าไปในป่าคนมันอยู่ข้างล้นพอดีเสือมันกัดตัวหนึ่งสิแล้ววัวก็แตะคือออกมาเนี่ยพอเห็นวัวแตะมาคนก็ตามเข้าไปแล้วทีเดียอเขาได้ยินเสียงวัวมันร้องโอ้เออโอ้เออคนก็วิ่งไปวัวมันก็วิ่งออกมา อันนี้ตัวหนึ่งมันกัดได้แล้วนี่มันกัดตายแล้วมันกาลังกินตัวนั้นอยู่ตัวหนึ่งมันยืนอยู่นี่น่ะฟังสิห่างกัดเสือตัวนั้นประมาณสักสองวายืนอยู่เฉยๆนี่น่ะไปให้เปลี่ยนตัวนั้นตายแล้วเสือมันมันก็มันก็กินวัวตัวนั้นอยู่มันก็ไม่สนใจกับวัวตัวนี้แต่วัวตัวนี้มันยืนตัวแข็งคืออยู่นั่นจะว่าไหนพอเขาไปพอเขาไปตามหาวัวนั่นน่ะเดินไป ไอวัวตัวนี้เห็นคนท่านั้นทคนคนว่าโอ้นี่ตัวนึงเพราะว่าอา้อาวอา้วอวิ่งสิคนนู้นอะเสื่อมกันโดดไปแล้วดูนี่ตัวนี้ตายท่านนั่นตอนได้กินยังไม่อิ่มนะแต่ตัวนี้ที่ตัวมันมันยืนตัวแข็งถืออยู่นี่เลยดูสิมันเป็นยังไงฟังสิโอ้มันกลัวทั้งขนาด น, นั้นเขาว่าเขามาเล่าให้ฟังวัวจุ๊บมาหน้าไปให้เป็นเลยวัวตัวแข็ง มันถ้าว่ามันอิ่มนั้นแล้วมันก็น่าจะมากัดตัวนี้อีกเหมือนกันแน่เพราะตัวนี้ไปไม่เป็นแล้วมันตัวแข็งไปเลยนี่ดูสิมันมันกลัวจนกระทั่งมันมันจะหมดความรู้สึกอะไรคือตัวแข็งหรือตัวอ่อนอะไรก็แล้วแต่น่ะไปไม่เป็นเลยพอคนว่านโยนนี่ตัวหนึ่งเท่านั้นหละไม่ได้ยินเสียงคนอ๋อเอาเอาวิ่งหาคน หรือมันกระโดดผึ่งกจากนี่คนมาดูทราบตัวนึงไอ้วัตัวนี้มันอยู่นี่ห่างกันประมาณสองวาวางั้นฟังสิมันไปไม่เป็นกลัวนี่เป็นศัตรูกันหนึ่งเยียวกับพวกไก่พวกนกนิดหนึ่ น, นนะยิ่งเยียวใหญ่หนัง่งด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งกลัวมากนะ ตัวแข็งไปแล้วข้างพุทธการก็มีเสือกินกินพระมีเหมือนกันนะในตำราม แ, แต่ว่าสาเร็จในปากเสือนะ่ะองคนั้นคงจะพิจารณานั่นแหละนิพพานาแก่กล้าแล้วเพราะสเร็จในปากเสือใครไปรู้ว่าสําเร็จในปากเสือเขาพูดได้เจ้าว่าไง นั่นเห็นไหมันเด็จในปากเสือท่านก็รู้ผู้รู้เจ้านี่เรียกว่ายานคือยานอันนี้ละเอียดมากพูดไม่ได้หรอกเพราะเราพูดไม่ถูกถ้ามันญาณอุดรปารีอัญญาอุดรปาจีาวุดรปาอา โ, โกอุดรปา ร, รีเามัจจคคแล้วยานอย่างทราบอันนี้อีกมันยิ่งละเอียดเท่าไห พระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเต็มภูมิของศรรสาสนาละเครื่องใช้ยานอย่างทราบสัตวโลกทุกสิ่งทุกอย่างตามทำ ท, ท่านแสดงว่าเต็มภูมิของศาสดาะอะไรจะมีลี้ลับไปไหนไม่ได้แทงทะลุหมดเลยนี่สาวกกเป็นบางองค์มีก็ไม่เต็มภูมิไม่เต็มเหมือนไม่เหมือนศาสดาลแล้วก็มีเป็นบางองค์นะ น, นี่ไม่ได้ ไม่ได้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดตั้งแต่ความสิ้นกิเลสการสิ้นกิเลสนี้สิ้นเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งย้อนกว่าใครรู้ชัดเจนในตัวเองเหมือนกันหมดแต่ยานที่รู้ในสิ่งต่างๆนี้ต่างกัน น, นอย่าง น, นอย่างพ้านูท่านี่อันนี้เชี่ยวชาญจนได้รับเอกลักษณะคือเลิอดในทางอะ ไอ้ตาทิพย์พระราชิตวิชานี่มองเห็นได้ชัดเจนเทวดามันอยู่ยุ่งไหนๆนี้พระนุษย์ถ้ามองเห็นหมดแล้วนะอย่างเทวดาไม่ยอมให้อะไรทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางประตูไหนประตูไหนที่เทวดาไม่เห็นด้วยยกอะไรก็ไม่ขึ้นยกไม่ขึ้น พระอนุทา บ, บอกว่าเทวดาให้ไปที่นั่นที่นี่นี่ใครก็ต้องมาถามพระอนุท่าอนุพระนุทาเป็นผู้บอกเกี่ยวกับเรื่องพวกเทวดาที่พระเจ้าอยศของพระเจ้านะน่ก็อันนี้มันแสดงไว้แล้วนี่นะในอะไรพุทธวารีอะไรแล้วอะไรที่หูด ยังไม่ไหม้ครับจุดไม่ไกม้เหมือนกันอีกแกนะอันนี้ก็ดูมันเกี่ยวกับเทวดาว่าพระ ก, กัสสปะกําลังจะเสด็จมาเลยเนี่ยก็อย่างนั้นแล้วพวกเราไม่รู้นท่านรู้อเลยว่างไงแล้วก็เป็นไปตามนั่นไม่ให้ไปทางทิศนั่ น, นเทวดาทั้งหลายไม่ให้เห็นด้วยไปตามด้วยให้ไปทางทิศนั่นอย่างนี้พอให้ไปทางทนั่นก็ไปเลยเนี่ยให้ไปทางทีศอืน่นยกไม่ขึ้น ถามหรยกอะไรขึ้นอนี้ไม่ไม่ขึ้นเลยเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์ของเทวดาผู้เชี่ยวชาญทางทางนี้พระนุปร ะ, ประเนี่ยเด่นมากส่ว น, นพวกเทวดาทั้งหลายนี้พระสาวกทั้งหลายก็มีมากที่ที่เด่นในทางนี้นะ ยังผมแม่กูจันนั่นตรงนี้มันน่าคิดนะเวลาเขาเข้ามาเยี่ยมท่านกาบเยี่ยมท่านแล้วเขามาฟ้องท่านอย่างนี้นะน่าฟังนะถ้าภาษาเราเรียกว่าฟ้องมาฟ้องเช่นพระวางอะไรแล้วเกละกะหรื่นนอนก็คอกแขกแค่นี้ หลับไม่มีท่ามีทางอะไรทิ้งเนื้อทิ้งตัวหรืออะไรอย่างนี้เทวดาเขาเขาก็นําไปฟ้องพระเจ้านะฟ้องพระแม่องจานท์มั่นเรานะท่านจึงได้เตือนพระนานตั้ทงทีแม้แต่ผ้าเจ็บเท้าทิ้งระเกะ ร, ราการก็ไม่ได้นี่นี่เทวดาก็นําไปฟออ้องพระเจ้าเออฟ้องพระแม่องจานท์มั่นเราท่านจึงได้สอนผ้าอะไนอกจากสักจากอะไร ควรจะซากก่อนสักสักแล้วให้เจ็บไปเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอแล้วทางทิศใดที่เทวดามาชอบมาทางทิศใดห้ามให้ไปทําส่วมในทางนั้ น, นให้ไปทำทางอื่นอแล้วก็เวลาเทวดามามาถ้าเราดังนอนหลับก็คอแกแค่ๆอย่างเทวดาว่ า, ม า, าไม่อนญาตไม่การหลับไม่ค่อยดีพระ พอมากราบเรียนท่านท่านก็จะเตือนพระบางทีท่านลงบอกว่ามันนี้จะเวลาประมาณเท่านั้นเทวดาจะมาบางทีท่านก็บอกนี่นะถ้าใครจะนอนตั้งแต่วันก็นอนเวลานั้นก็ให้รักษามารยาทอย่างนี้ก็มีนะคือนอนให้มีมารยาทให้น้มมัดระวัง อย่าทิ้งเนื้อกิ้งตัวอะไรพวกข้อแคบๆงั้นเทเวดาเขาตำหนิมาเงี้ยนี่อันนี้นั่นแหะ ท, ท่านท่านละเอียดของท่านขนาดนั้นแล้วเราพ่อแม่โครงการมั่นนี้ดูว่าเป็นธรรมดาเลยเหมือนอย่างเราเห็นสิ่งอย่างทั้งหลายเรานี่นะเหมือนเราเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์อะไรเนี่ยท่านเห็นพวกเทพเนี่ยท่านปฏิบัติต่อพวกเทพเหมือนกับเราปฏิบัติต่อกันอย่างนี้ฟังแล้ว ท่านไม่มีอะไรเลยท่านท่านจาันทร์นก็ก็ก็ดีทางนี้นะเวลาท่านคุยกันหน้าฟังนะเรื่องเทพนี่ท่านจานท์านท่านก็ท่านก็มีแต่ไม่ได้พิสดุ้นหน้าจอมพิสดารเหมือน มันพ่อแมวจันมั่นเราทีนี้เราก็ค่าโดยเฉยในยนะ <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าท่านพิจาดานขนาดไหนีดังขนาดไหนพูดเวลาท่านท่านพูดเรื่องอย่างนี้ท่านจะพูดเวลาเฉพะนะเวลามี้าพมากๆนีท่านจะไม่พูดนะนอกจากท่านจะพูดว่าขึ้นมาแล้วมีเรื่องศาสนาทกมันข้อเปรียบเทียบอะไรบ้างท่านก็ยกมานิดหนึ่งเท่านั้น ที่จะทายที่จะตั้งตั้งตั้งหน้าตั้งการเล่าให้ฟังจริงๆจะไม่เล่านอกจากมีสองสามองค์แล้วเปมาเส่นถว า, ายท่านนั่งคุยธรรมะกันยามเงียงบดึกๆสามทุ่มสี่ทุ่มมีนะบางคืนนะเวลาคุยธรรมะละ เ, อ, เ, อ, เ, อ, เอียดละเอียดท่านคุยธรรมะไม่ฟังพูดธรรมะไม่ฟังเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่ครับท่านก็พูดละทิหที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเพศท่านก็พูด เนี่ยได้ฟังตอนอย่างนี้ตอนจานวนประชุมกันูงมากไม่ได้ฟังท่านไมนพูดนะท่านโหท่านรักษาเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวจะไปว่าหาว่าท่านเป็นอะไรอะไรไปนั่นก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนี่ว่าอะไรแต่เรื่องบารากิจของคนอื่นนี่ผมไม่สงสัยแล้วเพราะแม่โคจัมั่น้ผมยอมราบเลยเจ้ามันรู้จริงจริง อืออย่าไปอวดสิเออวาลกิจใครคิดยังไงนอกจากท่านไม่พูดอันนี้ท่านท่านก็เคยพูดเหมือนกันครับการ ท, าที่จะอะไรอะไรเป็นยังไงก็จะทักอะไรก็จะทักใจคนเรามีกิเลสมันไม่ได้เหมือ น, นสิ่งนนกิเลสหนาทันเละกลัวมันก็กลัวมันมีเหตุมีผลกลัวมันมีหล่า ม, มีเกณฑ์แล้วพลิกประทางเสียได้นี่ท่านวาท่านยกข้อเปรียบเทียบอะไรผมยังไม่ลืม ก็ให้ปล่อยไปเหมือนกับะนัดปล่อยตามมาชิวสามเหมือนเด็กทังว่างมันมันจะเที่ยวอะไรตามสเปะสปะไปตามเรื่องของมันก็ปล่อยไปตามเรื่องนอกจากมันจะเป็นอันตรายเช่นมันจะตกลิ่น้ำหรือจะเข้าไฟหรือจะตกบ้านตกเรือนอะไรนี่ก็รีดไปช่วยถ้าธรรมดาไม่เล่นอยู่นี่เราจะไปเล่นกับมันทุกระยะไปไปห้ามไปจับมันทุกระยะนี้เด็กมันร้องไห้ทังว่างมันเพราะเราเด็กมันร้องไห้มันว่าเราควรมันล้ำค่ามันร้องไห้ทันวางมัน อันนี้กิจผู้ที่ชนนี่ก็เหมือนกันคิดมันมั น, ม, นมันเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงมันก็คิดไปเหมือนกับภาษาเด็กกระพุ่งยังไงเหมือนเหมือนอยเด็กซนๆ น, นั่นแหละมันคิดไปไหนมันก็คิดไปตามเรื่องแต่มันไม่พอเสียหายแล้วก็ปล่อยตามเรื่องนอกจากมันเป็นล่อแหลมตอนตารางกินก็ยกเป็นปัญหาขึ้นเตือนทำมาเนี่ยถ้านไม่ได้บอกว่าผู้กองอังกงนะว่าท่านทําไมที่งนี้ท่านก็ไมว่านะยกปัญหาขึ้นเตือนทำมาถ้าอย่างนั้น ให้ขยับเข้าไปอีกกันว่างี้เรื่นี้ท่านพูดทั้งนั้นนี่ท่า น, ท, านท่านยกเอาตัวอย่างมาจากนู่นเป็นที่สำคัญมากตั้งแต่ที่ว่าหลงตาอะไรดูท่ามพิการที่ว่าพูดคิดตั้งแต่เรื่องก็บ้านเรือนสามีภรรยาลูกเต้าอะไรยุ่งอยู่ในบ้านนั้น ำกำหนดจิตไปเมื่อไหร่ลงไปดูเมื่อไหร่ก็เป็ น, นอย่างนั้นตลอดจนมาั้งสว่างท่านยิ้ไปถามปัญหานะเนี่ยยังไงเมื่อคืนนี้แต่งงานใหม่กับคนเก่าเป็ไหสนุกดีไห้วเมืม่อคืนนุไม่ได้นอนนี่นะ่าบากั่างมากแล้วแล้วก็อย่างในประวัตินั่นอนะประวัติทัุกนะท่านพังนั้นแผ่นเลยเนะียท่านก็เลยถือเป็นอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้พี่แก่นเอา ไม่ใช่จะเป็นผลดีทุกเวลาทุกระยะที่เราทักหนากันว่ามันเป็นผลเสียได้สังว่างั้นแต่ถ้าไม่พูดจริงๆอ่ะมันเฉยๆธรรมดาเหมือนไม่รู้นียเดีนะ๋ยลองให้มันมีด้อเยเค็มๆเผ็ดๆเข้าไปใส่ท่านดูซิเรามองดูสายตาท่า น, นรู้ทันทีเลยเออ ท่านบอกด้วยสายตาท่านเตือนด้วยสายตาด้วยกิริยาอันใดหนึ่งท่า น, น่ะถึงไม่ได้พูดออกมานี่ก็ตามมันก็ว่าเตือนแล้วนะคนเราผิดก็ ม, มันมันวัวลังหวานนะ <c ười> รู้เลยมันปิดมันวัวลังหวานแล้วว่ากาล้องที่ไหนก็ก็กลัวแล้ว <c ười> ท่านทา น, ทนานมากที่ เรื่องอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าเขามาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรืออะไรท่านหาอุบายพูดทํามันอยู่ในวิสัยที่ควรจะนั่นได้ก็หาอุบายพูดอะะเรี๊ยบเจียงให้เขาได้ทําบุญอุทิศถึงญาติเขานะ่ะคือว่าพวกนี้เป็นเ ป, นเ ป, นเปรตอยู่ในปราตุดิปารีเปรตที่ควรจะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่ญาติไม่ได้ทําเนี่ยแล้วม า, มาหาท่านน่นดินั่นละ่ะอย่ง น, นี้ท่านก็เล่าขนาดนั่นตั้งสิ อาศจันไม่ล่ะเรื่องจิตเรืงหาอุบายห า, หาอุบายสอนเขาให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในนั้นกเปิดพวกผีอางทีไม่ไม่ทราบวา่าต้องตะกลับใดกันใดก็มีมาอย่างนั้นมาเกี่ยวข้องกับท่านนี่ก็เหมือนกับว่าท่านก็ไม่ว่ามันกันตอนกลางคืนท่านพีน่นะ ท่านจารฟันท่านก็รู้ตองผิดคนอื่นท่านก็รู้เหมือนกันท่านจารฟันไม่ใช่แต่พอแม่ของการมั่นแล้วนะท่านจารฟันก็รู้เหมือนกันท่านฟิสิกส์ดารนะเดินผิดนี่ฟานจังว่าหัววิสัยของกิ่นี่ตามไม่ทำนะใครจะไปคาด่าไม่ได้เลยวความรู้ความเป็นไปของกิดความละเอียดละอองของกิ่ที่เราจะเอาเพียงตาหูจมูกลิ้นการนี่มาเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องวัดกันละยาว่างั้นหนย หิดนี่มันมันมันไม่อยู่ในวิสัยของสิ่งนี้เลยไม่มีขอบเขตอิตาเนียพวกเพลินเมื่ อ, อกันาวันไหนท่านได้คุยกับท่านเรื่องเรื่อง แ, แปลกๆนี้<า>มีโอกาสดีๆแล้วท่านเล่าให้ฟังพวกเทพมีสําคัญมากนะโอ้พวกเทพนี่ไม่ได้เหมือนกันคือความละเอียดของพวกเทพนี่นะ่ะเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเทพ ชั้นบนนะไม่ว่าจะชั้นนี้นะเอชั้นบนก็ต่างกันทันว่าโน่นขนาดนั้นน่ะท่านละเอียดขนาดไหนดูสิอพวกเทพเนี่ยความละเอียดละเอียดของเทพที่มานั้นน่ะต่างกันสูงกว่าอะไรยิ่งละเอียดละเอียดละเอียดก็ไปนี่แต่พวกนี้เขาเขาเขาทำปทักศิณท่านว่าเนี่ที่ว่าผู้เรียกถนัดทำประทักษินน่คือเดินรอบเดิน ท, ทักทักสินเวียนขวาสามรอบนั่นน่ะที่ว่าทักสิงสินพวกเกลียวดา ม, มาก็เหมือนกั น, นเขาเขาเขาไม่ทําเหมือนมนุษย์คือเขาทําประทักสินแล้วก็ค่อยนั่งเรียบร้อยมีหัวหน้าคนเดียวเป็นคุณถามใครมีปัญหาก่อนเหมือนกับว่าเพราะนั้นเป็นสื่อกลางพวกปัญหามีข้อของใจอะไรกั ถามว่านั้นแล้วให้คนนั้นถามท่านถามปัญหาต่างๆท่านอยู่แก้ปัญหาเขาเวลาท่านเทศท่านก็เทศเวลาเทศมันต้องเงียบหมดแล้วกันเทศเวลาหลังจากนั้นแล้วจะถามปัญหาอะไรก็ถามมีผู้เดียวทําหน้าที่แทนแล้วเวลามานี่เขาต้องรายงานผู้เป็นหัวหน้าว่าเทวดามาด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่หัวหน้าเราเป็นผู้รายงานทุกอย่างเลย แล้วเขาจะฟังเทศอะไรนี่เขมามักระบุเองว่าเขาวางนั้นนะเ ข, เขาพูดเองบอกอย่าฟังเทศสูตรนั่นสูตรนี่ลึกธรรมะนั่นนี่พูดอาเชียงใหม่นทมาทสุดพวกเทศมากมันจะเป็นเพราะว่าเราอยู่สางหัดลึก ด้วยยังไงท่านว่ากันนะคือคือพวกเทพเข้ามาเกี่ยวข้องนอะมากที่สุดที่เชียงใหม่ที่อื่นๆไม่ค่อยมีท่านว่าจะมีเป็นบางการคือมาตามการตา่างคือหมายเช่นหนัวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหรือวิสาขมาฆะไปอย่างนั้นน่ะว่ากันนะมาเป็นเท่านั้นเหรอตอนนั้นไม่เคยมาอยู่นวลโหนงเว้นไปสองคืนสามคืนเมื่อไหรท่านบอกนั่นฟังดิ ทำประโยชน์ให้พวกนี้นนบางที่เวลาท่านพูดอยู่อย่างนั้นไม่ทำประโยชน์ให้โลกให้ประชาชนส่วนมากทำประโยชน์ให้กับพวกนี้ทันหวางนั่นประโยชน์ให้พวกเทพนั่นเราต้งเกิดมา ก, ก็ถึงมาเคยเห็นเทพเป็นยังไงไม่รู้ใช่หไหมล่ะเห็นแต่เทพเขาเขียนตั้งในกระดาษแล้วท่านพูดได้อย่างสบายบางที่มันต่างกันไหมล่ะ จิตเรามันคังกิเลสจิตท่านามาันังธรรมะเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นอีกละจิตเรานี่ครังกิเลสเนี่ยเต็มอยู่นี่หมดจิตทั้งท่านคังธรรมะเต็มอยู่นั้นหมดเนี่ยมันต่างกันดีตรงนี้แหละอะไรนะอนะพอ